ทรงประชุมสงบัญญัญติสิขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเราจะบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุณีทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ้าเพื่อความตั้งมั่นแห่งสัทธธรรม 10. เพื่อเอื้อเฟื้อวินยัย พิกสุทั้งหลายก็พิกสุนี้ทั้งหลายพึ่งยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้